จเจริญสุขท่านผู้ฟังและนักศึกษาทั้งหลายวันนี้เราก็มาว่าบทเรียนพุทธประวัติกันต่อในครั้งก่อนนั้นได้ว่าถึงตอนวันเกี่ยวกับเรื่องมาคบูชาที่เป็นวันจาร์ตรรงคสนิบาตพระพุทธองค์ก็เมื่อเห็นว่าเหตุการณ์สี่อย่างนี้มาประชุมพร้อมกันในวันเดียวเช่นนั้นก็ถือโอกาส ทรงแสดงโอวาสปาติโม ค, คือหัวใจของพระพุทธศาสนาและตั้งแต่นั้นมาพระองค์ก็แสดงเป็นประจำทุกพึงเดือนภายหลังก็มาเปลี่ยนให้พระพิสุสงสวดปฏติโมกแทนการแสดงโอวาสปาิโมคทุกพึงเดือนก็จึงได้ระงับไปวันนี้เราก็จะว่าตอนต่อไปเกี่ยวกับเรื่องการทรงอนุญาตเสนาสนะ ในตอนต้นพุทธกาลนั้นพวกพิสุสง์ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง <c oughs> ออ่ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง <c oughs> บางท่านก็อยู่ตามภูบนภูเขาบ้างตามซอกเขาบ้างในถ้ำบ้างป่าช้าบ้างโค่นต้นไม้หรือสุ้มทุนต้นมะแอสุ้มทุมพุ่มไม้บางท่านก็อยู่ในลองฟาง วันหนึ่งเศรษฐีชาวเมืองพระอาณาชาวเมืองราชสิรินั่นเองได้ออกไปอุทยานของตัวเองแต่ตตชาวได้เห็นพิสูจน์ทั้งหลายต่างๆนั้นได้กําลังออกจากสถานที่เหล่านั้นถือบระองค์ก็ออกจากป่าพระองค์ก็ออกจากซอกเขาพระองค์ก็ออกจากถ้ต่อไปบิณฑบาัตเห็นว่ามีอาการที่เรียบร้อยหน้าเลื่อมใส คือจะก้าวไปข้างหน้าก็ตามจะกลับหลังก็ตามจะเหลียวไปดูแลอ่าดูทางซ้ายก็ตามหรือทางขวาก็ตามแม้กระทั่งการเหยียดแขนแล้วก็คู่แขนเข่ามีอาการหน้าเลือมใสมีจั่นมีดวงตาเนี่ยพอดลงถึงพร้อมด้วยอริยบทต่างๆก็เกิดความเรือมใสขึ้นก็จริงถามที่สุดแล้วนั้นว่า ทวารข้ า, า, เขาพเจ้านี้จะทําวิหารหรือกุฎีเนี่ยเป็นที่อยู่อาศัยให้เนี่ยพิสุททั้งหลายเนี่ยจะอยู่ในวิหารหรือกุฎีที่ข้าพเจ้าทําทาถวายนั้นหรือไม่พิสุทธิล่านั้นก็พากันตอบว่า <c oughs> พราะบรมศาสดายังไม่ได้ทรงอนุญาตเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่จึงไม่สามารถที่จะรับได้ เศรษฐีนั่นก็จึงได้มอบให้พิสุท์ทั้งหลายให้ไปช่วยกราบทูลถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ภิสุเหล่านั้นรับคำแล้วก็ได้ไปฟังพระบรมศาสดากราบทูล เ, เรียนเรื่องการที่จะปฏิบัติอย่างไรในการที่เศรษฐีผู้นี้จะถวายที่อยู่ให้แก่พระพิสุทสงฆ์พระพุทธองค์นั้น อาศัยเรื่องนี้เป็นเหตุก็จึงได้ตรัสถามมีคาถาและทรงอนุญาตเสนาสะนะห้าประการด้วยกันเสนาสะนะคือที่นอนที่นั่งห้าชนิดหรือห้าประการด้วยกันห้าประการก็ได้หนึ่งได้แก่วิหารคือกุดีมีหลังคาและปิดทั้งสองข้างอย่างปกตปิสองอัธยคะได้แก่โรงหรือล้านที่มุงด้านเดียว เช่นโลงขโขนลงลิเกหรือลังคาเป็นต้นสามปราสาทปราศาสนี้ได้แก่บ้านหรือตึกที่ปลูกสร้างกันเป็นชั้นๆตั้งแต่สองชั้นขึ้นไปนะคือบ้านหรือว่ากูดีหรือว่าบ้านหรือว่าตึกที่ปลูกขึ้นตั้งแต่สองชั้นขึ้นไปเรียกว่าปราสาทหามียะได้แก่ตึกลังคาตัดนะคือหมายความว่า ไม่ทําเป็นลังคาหมูกระเบื้องแต่ว่าเป็นประเภทที่ว่าก่อเป็นตึกหรือปูนแล้วก็ลังคาก็ตัดเป็นลานใช้ลังคาเป็นที่ตากอากาศได้ด้วยแล้วก็ห้าคูหาได้แก่พวกธรรมได้แก่พวกธรรมพระพุทธองค์ก็ทรงนิญาตเสนาสนะห้าประการเช่นนี้ ที่สูทั้งหลายก็จึงได้แจ้งข่าวนี้แก่เศรษฐีชาวเมืองราชคลึ้ให้ทราบเศรษฐีก็ดีใจว่าพระพุทธองค์นั้นทรงอนุญาตเสนาสนะให้แล้วก็จึงได้สั่งให้บริวารของตนเองนั้นปลูกวิหารหรือว่าเป็นกุฎีขึ้นหกสิบหลังในวันเดียวเสร็จในวันเดียวนั้นกุฎีหรือว่าวิหารที่ปลูก ให้เสร็จในวันเดียว60หลังนั้นก็คงจะเป็นกระท่อมหลืกกระ t o บเล็กๆพอที่เป็นที่อยู่ที่อาศัยเป็นที่มุงที่บังได้และเมื่อปลูกกระท่อมาเมื่อปลูกอุดีให้ให้เสร็จเสร็จภายในวันเดียว60สุป60หลังเช่นนี้แล้วเศรษฐีนี้ก็ได้ไปเฝ้าทูลรัตนนาพระพุทธองค์ที่จะทรงรับพระตาหารในวันพรุ่ง น, นี้ ตอนเช้ากับพระพิสุสง์โดยการที่จะทำพิธีถวายาจะถวายวิหารหรือว่าเป็นที่อยู่อาศัยของพระด้วยเพราะในวันรุ่งขึ้นพระพุทธองค์พร้อมด้วยพิสุสง์ทั้งหลายก็จึงได้สเสด็จไปเสวยพระกยาหารที่บ้านของเศรษฐีชาวาชาวกรุงราชครึ่งนั้น เศรษฐีก็ได้อังคา่าดเทพีสูสงมีพุทธเจ้าเป็นบมุกนั้นเนะ่ยด้วยของเคียวและของฉันอันประณีดจกอินมหนำสำราญเสร็จแล้วก็กลาบทูลถามว่าจะปฏิบัติอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องการจะถวายวิหารนี้พระพุทธองค์ก็ทรงแนะนำว่าให้อุทิศถวายเพื่อพิสุขึ้นมาจากทิททั้งสี คือหมายความว่าพิสุที่จะมาจากต่างทิศจากต่างถิ่นนั้นสามารถที่จะมาพักพาอาศัยได้เพราะว่าการที่ถวายเช่นนี้เนี่ยจะเป็นเหตุที่ทำให้อานิสงส์ได้มากกว่าการถวายเจาะจงองคใดองหนึ่งเศรษฐีก็จึงได้กระทำเช่นนั้นโดยอุทิศวิหารทั้งหกสิบหลังนี้เพื่อพระภิ่สุสงฆ์ซึ่งมาจากทิศทั้งสี่พระพุทธองค์ก็ตรัสอนุโมทนาวิหารทาน โดยใจมีใจความว่าวิหารนั้นย่องกาจัดความเย็นและความร้อนป้องการจัดร้ายจัดเสือพลานและยุงคุ้มฝนและแดดการถวายวิหารแ ก, แก่สงเพื่อเป็นที่เล่นเพื่อความสำราญเพื่อบำเพ็ญสมณะทมวิปสมถาวิปสนาพระพุทธเจ้าทั้งหลายสรรเสริญมนเลิศเหตุนั้นบัณฑิตทั้งหลายแะเห็นประโยชน์ของตน พึงทำวิหารอันหนาตำลานแล้วเชิญท่านผู้เป็นผู้หู้สูตรให้อยู่ึงให้ข้าวและน้ำผ้าหนุงผมเสนาสนะคือที่นอที่นั่งแก่ท่านด้วยจิตใจอันเลื่อมใสในท่านว่าเป็นผู้ตรงว่าท่านเป็นผู้หู้สูตเหล่านั้นย่อมแสดงธรรมอันเป็นเครื่องบาบัดทุกแก่เขาเขารู้ธรรมแล้วจักเป็นผู้หาอาสวะมีได้นิพพานในโลกนี้ พระ บ, บรมศาสดาทรงตัดอนุมโมทนาวิหารธานแล้วก็ของอก็สเสด็จกับวิหารพระเวรุวันนี่ก็พระองค์นั้นทรงอนุญาตวิหารหลังจากที่พระเจ้าพิพิสารนั้นได้ถวายเวรุวันมหาวิหารแก่พระพุทธองค์เปียครั้งแรกแลัว้ว ในบทเรียนต่อไปก็ทรงแสดงถึงวิธีทําปุกพระเพศตพีปุกพระเพศตพีนี้ก็คือการทําบุญอุทิศให้แก่บุคคลผู้มีอุป ก, การะคุณซึ่งได้หลวงรับไปแล้วความจริงแล้วกา ร, ก, ารกระทําปุกพระเพศตพีนีเน้เป็นพวกเป็นธรรมเนียมของพวกพลาม พรามนั้นได้กระทําอุปเพเพตะพีนี้เป็นประจําโดยที่กระทําอการอุทิศแก่บิดามารดาของตอนเองผู้ดีหลวงรับไปแล้วเป็นประจําที่เราเรียกว่าศาสตร์อันเนื่องมาจากการเผาศพ บ, บ้างหรือว่าครบรอบวันตายหรือต้นเดือนต้นปีบ้าง <c oughs> การกระทำของพรามนี้เขาจัดเป็นสองประการด้วยกัน คือหนึ่งการที่ทำบุญอุทิศให้แก่ผู้ตายแค่บุรพชนสามชั้นคือพ่อปู่แล้วทวดหรือจะเป็นแม่ยายทวดก็ตามคือแค่สามชั้นแค่ทวดนี้พราหม์ทั้งหลายเขาจะเส้นหรือทำบุญด้วยก้อนข้าวที่เราเรียกกันว่าสบินดะแปลว่าผู้รวมก้อนข้าวโดยที่เขาจะนำเอาก้อน เอาข้าวเนี่ยมาปั้นเป็นก้อนกๆอนก่อนกอนข้าวแล้วก็อุทิศส่วนบุญกุศลอันนี้ไปให้แกบุรอ่าแกบุรพบุรพชนที่ลวงรับไปแล้วมีบิดามารดาเป็นต้นนะตลอดถึงขั้นปู่ถวดวขั้นถวดวและเขาก็จะได้นำเอาก้อนข้าวนี่เนี่ยไปวางให้สักพวกตาบ้าง หรือ ส, สัตว์สุสัตว์บางที่จะมากินอาหารเขาถือว่าการนี่เป็นนกผีเมื่อกินอาหารก้อนนี้เสร็จแล้วจะได้ไม่ไปบรบกวนบิดามารดารือญาติของตัวเองที่หล่วงรับไปแล้วนี่ก็ทําบุญประการหนึ่งสําหรับผู้ที่อยู่ในสามชั้นคือบิดาปู่หรือทวดแต่ถ้าหากว่าเลยจากนั้นไปบุรพชนเกินกว่าทวดไปแล้วเขาถือว่า จะทำบุญด้วยก้อนข่าวนั้นทำไม่ถึงเพราะฉะนั้นจะอุทิศส่วนกุศลหรือทำบุญไปให้นี้ก็ด้วยการตรวจน้ำตรวจน้ำไปให้ที่เราอธิฐานเขาอธิเรียกว่าสมาโนโทกหรือผู้รวบน้ำคือเกินจากบุรพาชนชามท่านขึ้นไปแล้วเขาจะตรวจน้ำให้ในการตรวจน้ำให้ก็โดยลงที่อโดยที่เขาลงไปในแม่น้ำเอามือทั้งสองเนี่ยกอบน้ำขึ้น แล้วก็ปล่อยโปยให้ลงค่อยๆลัวไหลไปแล้วก็นึกอุทิตให้ถึงแก่ผู้ตายเข้าใจว่าประเพณีอันนี้เนะี่ยทางพุทธของเราเนะ่ะจะนำอามาใชา้แต่ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุท ธ, ธเจ้านั้นทรงสแสดงถึงการทำบุญอุทิตให้แก่ปูกพระเพรพรีที่เราเรียกว่าทักขินาทานทักขินาลุปทานคือการเพิ่มให้ถึงทักขินานั้นม่ได้จากัด เฉพาะในวงแห่งบุคคลแค่สามชั้นเท่านั้นเองไม่ได้จำกัดฉะ่นั้นแต่หมายความว่าพระพุทธองค์นั้นทรงแนะนำว่าการกระทาบุญอุทิศนี้ให้แก่บุคคลผู้ที่เป็นญาติหรือผู้คนใดบุคคลหนึ่งกับสามที่ล่วงรับไปแล้วนั้นสามารถที่จะถึงได้กันทั้งนั้นไม่จำเป็นอยู่แค่สามขั้น หรือห้าคันหกคันแต่การทำบุญุทิ์นั้นหมายถึงว่าทำไปแล้วกรวดน้ำไปให้กรวดน้าไปให้ที่เราเรียกว่าตรวดน้ำไปให้แก่เปตชนเปตะชนคำว่าเปตชนนั้นมีความหมายอยู่ในกันสองนด้ยวยกันที่เราที่เรามักจะเรียกว่าปุกพระเปตะพรีนั้น อหมายความว่าการทำพลีกรรมเพื่อเปไรที่เราแปลกันว่าเพื่อเปรยนั้นน่ะคำว่าเปลย์เปลย์นี่มีมีความหมายสองประการคือหนึ่งหมายเอาถึงว่าคนตายคำว่าเปตะเปตะเนี่ยแปลว่าผู้ที่ล่วงรับไปแล้วหรือพวกผู้ที่ละไปแล้วเปรยเราก็มาใช้เรียกกันภาษาไทยว่าเปรย์หมายเอาคนที่ตายไปแล้วได้ในคำเช่งคําว่าเปโตกาลัสโตแปลว่าผู้ละไปแล้วผู้ตายไปแล้ว คําหนึ่งคําว่าเปรตนี้หมายถึงสัตว์ที่เกิดในปิติวิสัยคือในภพของเปรตเป็นพวกอสิสมานากายมีการไม่ปรากฏนี่มาหมายหมายได้ทังสองประการเพราะฉะนั้นแม้แต่บิดามารดาของเราที่ล่วงรับไปแล้วเราก็ถือว่าเป็นเปตะชนแปลว่าคนที่ล่วงรับไปแล้วที่ละไปแล้วแล้วการที่จะทําบุญอุทิศให้แก่เปตชนที่ล่วงรับไปแล้วนี้ ทานอนนั้นจะมีผลก็ด้วยเหตุสามประการคือประการที่หนึ่งทายกบริจาคทานแล้วต้องอุทิศส่วนบุญกุศลไปให้อันนี้สําคัญการที่เราจะทําบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้แก่บิดามารดาของเราผู้ที่ร่วงรับไปแล้วนั้นนะที่สําคัญคือต้องกระทําการอุทิศไม่ใช่สัตว่าทําบุญเลี้ยงพระไปเฉยแล้วก็ไม่ได้อุทิศส่วนกุศลไปให้ผลอั น, นั้นก็จะไม่ถึง เหมือนกับการที่เราไม่ได้ยื่นของให้เขาไม่ได้บอกของให้เขาเอามาตั้งไว้เฉยเขาไม่สามารถที่จะคแขกก็ไม่สามารถที่จ ะ, ะาารจะับประทานได้ต้องเป็นการเรียกหรือเป็นการเชิญเป็นการมอบให้นี่เป็นสำคัญเพราะฉะนั้นเมื่อหลังจากทำบุญแล้วก็ต้องอุทิศกุศลไปให้แต่การอุทิศกุศลไปให้นี่จะด้วยการที่ว่าตั้งใจอุทิศหรือจะกรวดน้าอุทิศก็ได้เหมือนกัน ประการที่สองนั้นท่านกล่าวว่าจะต้องทำในปฏิคาหกคือผู้รับทานซึ่งเป็นทักขินยะคือผู้ที่ควรรับทานหมายถึงว่าทำบุญในบุคคลที่มีศีลนี่ประการที่สองประการที่สามนั้นเปตชนนั้นผู้ที่ได้รับส่วนบุญกุศลแล้วจะต้องอนุโมทนา เมื่อประชาชนได้รู้แล้วว่าเขาอุทิศให้กับตนนั้นต้องอนุโมทนาเมื่อครบสามการอันนี้แหละทานอันนี้ถึงจะมีผลทานอันนี้ถึงจะมีผลแต่ว่าการที่เราจะอุทิศส่วนบุญบุศสไปให้แก่ประชาชนคือคนที่ร่วงรับไปแล้ว น, นี้นั้นนะจะถึงหรือไม่ถึงก็ตามแต่บุคคลผู้ถวายทานที่เรียกว่าทายกนั้น เป็นผู้ที่ไม่ไล่ผลหมายความว่าเราทำเราได้แต่จะถึงแก่บุคคลที่เราอุทิศไปให้นั้นหรือไม่นั้นนั่นเป็นอีกเรื่องนึงแต่ว่าเราได้อยู่แล้วการที่ทายกหรือบุคคลใดก็ตามจะทำทักษิณา น, นั้นเป็นการแสดงออกสามประการด้วยกันคือหนึ่งได้แสดงถึงยาติธรรมให้ปรากฏหมายถึงว่าเราทำอุบุญอุทิศให้ไปกับผู้ใด ก็แสดงว่าเราได้กระทําการให้ปรากฏว่าบุคคลที่เราเจาะจงวันนั้นเป็นญาติเป็นคนสาคัญของเรานี่ประการหนึ่งประการที่สองชื่อว่าได้ทําการบูชาคือยกย่องเปรตชนแสดงว่าบุคคลที่เราได้ทําบุญอุทิศไปให้นั้นเป็นคนที่สําคัญที่เราควรยกย่องนับถือเพราะฉะนั้นเราจึงทํำไปให้อาจจะเป็นผู้ที่เป็นผู้ให้กําเนิดเราคือบิดามันดา หรือเป็นลูกอันเป็นสุทธิรักของเราหรืออาจจะเป็นพี่ชายหรือเป็นสามีเป็นพันยาอันเป็นสุทธิรักของเรานี่แสดงว่าบุคคลหรือเปตะชนผู้นั้นเป็นคนสําคัญการกระทํำนั้นก็เป็นการบูชาคือยกย่องเปตะชนเหล่านั้นสามเป็นการเพิ่มให้กําลังแก่พิสุพิสุสงในพุทธศาสนาการที่เราทําบุญอุทิศไปให้แก่ผู้ตายนั้นก็คือนําข้าวปลาอาหารไปถวายแก่พระพิสุก็เป็นการที่เพิ่มกําลังให้ท่าน ซึ่งเมื่อท่านมาชันอาหารแล้วจะได้มีกําลังที่จะได้สืกพระพุพทธศาสนาสืบต่อไปอีกมีเรียกว่าเป็นการเพิ่มกําลังให้การเพิ่มกําลังให้แก่พิสุกในพุทธศาสนานี้ก็เป็นการที่เรียกว่าต่อยืดต่ออายุพระพุทธศาสนาให้ยืนยงคงไว้อีกต่อไปอีกนี่เป็นเรียกว่าเป็นการแสดงออกสามประการด้วยกัน ต่อไปนั้นก็เป็นบทเรียนเกี่ยวกับเรื่องทรงมอบสงให้เป็นใหญ่ทรงมอบสงให้เป็นใหญ่อหหญตอนแรกๆนั้นพระองค์นั้นยังไม่ได้มอบให้พระพิสุสงนั้นเป็นใหญ่ในการกระทําสังฆกรรมต่างๆโดยที่พระองค์นั้นทรงควบคุมอยู่เอง เหตุการณ์ที่พระองค์จะได้ทรงมอบให้สงเป็นใหญ่ในกิจต่างๆนี้ก็มีเหตุเนื่องโดวยว่าวันหนึ่งพระพุทธองค์นั้นสเสด็จดำเนินอยู่ในพระวิหารในทอดพระเนตรเห็นลาทะพลามมีร่างกายอันผ่ยผอมคือลาทะพลามผู้นี้เมื่อตนเองแก่เท่าชลาแล้วพัญญากับลูกไม่เลี้ยงดูก็เลยมาอาศัยวัด ตนเองอ่ะเดิมก็เป็นคนที่มั่งคั่งเหมือนกันแต่พอบุตรพัญญ์อ่าพอบุตรของตัวเองจเจริญเติบโตแล้วก็มอบทรัพย์สมบัติให้หมดโดยที่ี่ว่าคิดว่าลูกของตัวเองหรือพันยักษ์ตัวเองจะได้เลี้ยงดูตัวเอตัวแต่มื่อมอบเขาหมดแล้วตัวเองก็เป็นคนที่ไม่มีทรัพย์สมบัติถู ก, ล, ก, ล, กลูกทั้งหลายพันยาและพันยาก็เกิดความรังเกียขึ้นแกก็น้อยใจก็คิดว่าธรรมดาพระนั่นเป็นผู้ที่มีหน้า เรียกว่านามีหน้ายิ้มอยู่เสมอถ้าหากว่าเราไปอาศัยวัดแล้วก็พอที่จะเลี้ยงอาชีวิตได้ก็เสร็จแล้วแกก็มาอาศัยวัดแต่ว่าแกก็เป็นคนดีเมื่อสายวัดอาศัยวัดแล้วได้เสร็จอาหารข้าวกลบบาตของพระแกก็พยายามทำวัดอุปถัมภ์มีการต่งน้ําให้ส่งน้ําร้อนถวายพระบังซักกีวรนบังเหล่านี้เป็นต้นทํำให้พระนั้นเกิดเมตตาแก ก็ได้ให้ข้าวปลาอาหารนั้นแก่เป็นอมากจงแกนี้มีร่างกายอ้วนพีแต่อยู่ต่อมาแกเกิดอยากจะบวชพึ้นไปขอให้พระพิสุองคแดงหนึ่งบวชให้ก็ไม่มีใครบวชให้พอเห็นแล้วว่าแกเป็นคนอาราท่าผมนี้เป็นผามแกความจริงคนแก่แล้วก็อาจจะมีความงุ่ม ง, ง่ามหรือว่าอะไรสักอย่างพึ่งว่ามันไม่คล่องตัวไม่อะไรอาจจะ เป็นคนที่ช่วยตัวเองก็ลําบากหน่อยเลยพระพิสุทธทั้งหลายก็ไม่ยอมจะบวชให้เมื่อไม่มีพิสุทธอื่นบวชให้มันไม่มีพิสุทธองค์ดาดหนึ่งบวชให้แล้วแกก็เกิดความเสียใจร่างกายก็ผายผอมขึ้นพระพุทธองค์เสด็จมาพบเขาเห็นว่าตอนก่นกอนเนี่ยเป็นคนที่มีร่างกายอ้วนทีแต่ทําไมเดี๋ยวนี้ร่างกายถึงผายผอมไปผิวพรรณก็เาหมองก็จึงเดิถามดู พรามนั้นก็เล่าความให้ฟังะว่าพระพิสุท์ทั้งหลายนะั้นเมตตาปราณีดีแล้วให้อาหารกินอยู่ถึงสงบูรแต่การที่ข้าพเจ้าผายผอมนี่ก็เพราะเอเอเลยเหตที่ว่าต้องการจะบวชแล้วไม่มีองค์ใดบวชให้ดังนั้นพ ร, พระพุทธองค์ก็จึงตรัสให้ประชุมพิสุททั้งวัดแล้วก็ตรัสถามว่าใครระลึกถึงอุปการละของพรามภูนี้ได้บ้างท่านภาษาลิบุตรก็บอกว่าข้า พ, พุทธเจ้านั้นระลึกได้ ว, วันหนึ่งข้าพเจ้านั้นได้ไปเที่ยวบิธบาตที่กรุงในกรุงรัติพฤพราม์ผู้นี้ได้ให้อาหารแก่ข้าพเจ้าทัพพีหนึ่งพระองค์ตรัสว่าดีละสาริบุษซัตตบุรุนั้นควรเป็นคนกระตันยูกระตะเวทีถ้าอย่างนั้นเธอจงให้พรามเหล่าให้พรามผู้นี้บวชเมื่อตรัสเช่นนี้แล้วตรัสสังให้พระสาริบุษให้บวชเราทัพพรามเช่นนี้แล้วก็ทรงตรัสให้เลิกการอุปสมบทโดยไตรสารณาคม ไตรสนาคมเสียให้บวชใหม่โดยการที่เรียกว่าให้ประชุมพระพิสุสงฆ์ให้พระพิสุสงฆ์เป็นใหญ่ในการอุปสมบทเรียกว่าให้อุปสมบทโดยยติจตุถกรรมมาวาจาก อ, อันนี้ก็ทางนี้การบวชอุปสมบทนี้เป็นแบบที่สี่แล้วนักเรียนจะต้องจำ แบบที่หนึ่งนั่นก็คือพระองค์ทรงเป็นพระอุปัชฌายะบวชเองโดยที่บวชแบบเอหิตพิคุปสมัมปทาแบบที่สองนั้นพระองค์ทรงอนุญาตให้ภาษาว่าเป็นผู้บวชโดยที่ไปประกาศศาสนาแล้วเมื่อใครเลื่อมใสยอยากจะบวชก็ให้บวชได้เองแต่การบวชนั้นให้บวชโดยไตรสนาคมหรือที่เราเรียกว่าติชนะขมโนปสมัมปทา แล้วแบบที่สามที่พระองค์ทรงอุปสมบท <c oughs> ประทานอุปสมบทให้แกพระมหากัสปะนั้นก็ประทานให้โดยโอวาทสามข้ อ, อ, ต, อตอนนี้ก็เป็นแบบที่สี่พระองค์ตรัสให้ภิกษุสงฆ์นั้นเป็นใหญ่ในการทำสังกรรมในการบวชนี้ก็ให้บวชโดยวิธียัตยติจสุทกกรรมมาวาจา คือสวดยะติครั้งหนึ่งแล้วก็สวดกรรมวาจาถามความตกลงความพอใจของพิสุทสามครั้งสวดอนุสาวรนาถ้าหาพิสุทธิ์รูปได้รูปหนึ่งคัดค้านขึ้นมาการบวชนั้นก็ไม่นสนําเร็จถ้าหาพิสุทธิ์รูปได้รูปหนึ่งไม่คัดค้างก็แสดงว่าพิสุทธทั้งหมดพอใจยอมรับยกผู้นี้ขึ้นเป็นอุปสมบันคือเป็นพิสุทธในพุทธศาสนา การบวชโดยพบแอรโดยวิธีนี้พระองค์พระองค์ทรงตรัสไปว่าอย่างน้อยต้องใช้พิสุตสิบรูปขึ้นไปจึงจะทําการอุปสมบทได้ถ้าน้อยกว่านี้ไม่ได้แต่อยู่ต่อมาภายหลังนั้นพระองค์ทรงผ่อนผันในข้อนี้สําหรับในปัจจันตชนบทนั้นใช้พิสุเพียงห้ารูป ก, ก็จะทำการอุปสมบทได้แต่ในมันธยมประเทศหรือว่ามัชชิมาช น, นบทนั้นจะต้องใช้พิสุถึงสิบรูป แล้วการอุปสมบทโดยยติจิตสุธกรรมมวาจานี่แหละพระภิสุทธิ์ในพุทธศาสนาก็ใช้สืบกันมาจนถึงทุกวันนี้แล้วก็ได้เปลี่ยนแปลงการอุปสมบทโดยไตรสนาคมนั้นเป็นการอุปสมบทให้แกส่สมณเณรคือเป็นการบันประชาให้ บ, รรบชแก่ให้บชสมณเณรเป็นการให้สมณเณ ร, รบัระชาด้วยไตรสนราคมเปลี่ยนไปซะเพราะฉะนั้นพระราทพราหมผู้นี้ เป็นองค์แรกในการบวชโดยวิธีเออโดยวิธียัติจัตุกรรมวาจาในข้อนี้ต้องจำํำเป็นองค์แรกแล้วก็วิธีนี้เราใช้สื่อมาจนทุกวันนี้พิสุสงในพุทธศาสนาเวลาใครจะบวชต้องบวชโดยวิธีนี้บวชโดยวิธีอื่นไม่ได้อย่างน้อยจะต้องมีพระสําหรับในประเทศไทยเหล่านี้ก็เป็นประจันตชนบท อย่างน้อยต้องใช้พระห้าองค์ออย่างน้อยต้องห้าลูกขึ้นไปน้อยคนนี้บวชไม่ได้สี่ลูปบวชไม่ได้พร้อมทงพระอุปชัยยะด้วยอุปชัยยะนั้นเป็นแต่เพียงว่าผู้ชักนําเข้าหมยแต่การสําเร็จจะเป็นพิสุสมัญแอจะสําเร็จเป็นพระพิสุทสงฆ์ในพุทธศาสนาได้นั้นต้องอาศัยผส์พร้อมกันยอมยกเท่าพิสุทสงฆ์องค์ใดหนึ่งขึ้นมาแล้วไม่สามารถที่จะบวชได้ และนอกจากนั้นแล้วพระองค์ก็ทรงอนุญาตให้พิสุสงฆ์นั้นเป็นใหญ่ในสังฆกรรมทั้งปวงการเป็นใหญ่ในสังฆกรรมทั้งปวงนั้นโดยที่พระองค์ทรงกําหนดไปว่าสําหรับข้อที่หนึ่งสงจะุรัษหรือสงพิสุสี่ลูกสําหรับทำกรรมทั่วไปเว้นการให้อุปสมบทภาวนาการกลางกระถินและอภัย น, นอก น, นั้นทําได้หมด สองปัญจวัคคือภิกษุห้าลูปทำสังฆกรรมในทั่วไปเว้นแต่การให้อุปสมบทในมัชชิมะประเทศและการกระทำอับ่านสามภิกษุทศวรรคือภิกษุสิบูปสำหรับทาทุา่ทำสังฆกรรมในทั่วไปเว้นแต่อับ่าน อ, าอับพานนี่ก็คือการที่ สวดให้กรพิสุสงฆ์ยอมรับให้พิสุสงฆ์ซึ่งเป็นอบัตไยแรงนั้นกลับสู่สภาวะปกติคืออบัตสังฆาทิเศษซีวีสติวัชคือพิสุยี่สิบรูปนั้นทำสังฆกรรมได้ทุกอย่างสังฆกรรมทุกประเภทนั้นพิกสุทุกรูกที่เข้าประชุมต้องเห็นชอบอนุมัติจึงจะใช้ได้ถ้ามี พิสุรุมใดแย้งเพียงเพียงรูปเดียวเท่านั้นก็สังฆกรรมนั้นใช้ไม่ได้นี่พระองค์ทรงมอบให้พิสุสงนั้นเป็นใหญ่ในสังฆกรรมทั้งปวงเพราะฉะนั้นตั้งแต่ว่นตั้งแต่นั้นมาการอุปสมบทก็จึงได้สืบเนื่องกันมาด้วยยาติจัุรุษกรรมเป็นต้นมา น, นี่ก็ไปอันบอกพระองค์นั้นทรงมอบการเป็นใหญ่ให้พระพิสุสงฆ์เอาละท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้ก็พักไว้แค่นี้ก่อนขอความเจริญพาสุขจงมีแก่ท่านผู้ฟังและนักศึกษาทุกๆ ท, ท่านด้วยกันขอเจริญพรพุทธประวัติต่อ ในครั้งที่แล้วเราได้ว่ากันมาถึงตอนที่พระพุทธองค์นั้นทรงมอบให้พิสุส่ส์เป็นใหญ่ในสังฆกรรมทั้งปวงโดยการที่สั่งให้พระพิสุสง่์ทําการอุปสมบทด้วยยติเจตุสกรรมวาจาแกลาทัาพหลังก็เลยมอบความเป็นใหญ่ให้พิสุส่ส์ในสังฆกรรมทั้งปวงตามที่ได้กล่าวมาแล้ว วันนี้ก็มาว่ากันบทเรียนเรื่องการที่พระองค์ทรงสอนพระศาสนาผ่อนตามผ่อนลงมาถึงขัดีของโลกขัดีของโลกคือหมายความว่าขดีของโลกว่าไปหนึ่งไปอย่างหนึ่งเราก็มาผ่อนตามคัดีทางฝ่ายทาไปอีอย่างหนึ่งโดยที่ไม่ให้เรียกว่าโลกก็ไม่ช้ำทาก็ไม่คุณ เรื่องก็มีอยู่ว่าครั้งหนึ่งเมื่อพระองค์เสด็จอยู่กรุงรัชคลือในเช้าวันหนึ่งพระองค์ทรงเสด็จออกบินทบาตทเข้าไปในสูพนน่พระนครมรัชคลืกอก็ได้ทอดเนีเห็นมานุกคนหนึ่งชื่อว่าสิงคา ล, าคาละนักษ์มโนภูนี้ชื่อว่าสิงคาละกษ์มโนภูนี้ออกจากบ้านแต่เช้า ลงไปอาบน้ําแล้วก็มีผ้าเนี่ยหนุ่งผ้าห่มนี่ยังเปียกชุ่มด้วยน้ําอยู่ผมก็ยังเปียกแล้วขึ้นมาจากบกนั้นก็ยกไอ้ขึ้นมาจากน้ํานั้นก็ยกอ่ามือขึ้นประคองน้ำมศการคือไหว้ทิศทั้งหกนะฮะไหว้ทิศทั้งหกอยู่ทิศทั้งหกนี้ก็คือทิศบุรพาคือทิศตะวันออกทิศทักษิณทิศใต้ทิศตะวันตก ทิศอุณ ด, ดอนทิศเหนือแล้วก็ทิศเบื้องล่างแล้วก็ทิศเบื้องบนบนบนพระองค์เห็นเช่นนั้นเขาเหนมามานนน็นว่ามานกน้อยผุนี้ยืนไหว้ทิศทั้งหกอยู่ก็ถามว่าเหตชไหนเจ้าจึงไหว้ทิศอย่างนี้ทิ้งคารมาน ก, ก็กราบทูลว่าบิ ด, ดาของข้าพเจ้าเมื่อจะตายได้สั่งไว้ให้ไหว้ทิศข้าพเจ้านั้นเคารพในคําของบิ ด, ดา ปรารถนาจะกระทำตามจึงไหว้ทิศอยู่อย่างนี้พระเจ้าค่ะพระองค์ก็ตรัสว่าแล้วบิดาของเธอนั้นได้บอกหรือเปล่าวะไอการไหว้ทิศมันไหว้ทำไมทิงคารามานพูดนี้ก็ตอบตอบก็ทูอตอบโดยตรงว่าไม่ทราบพระเจ้าค่ะบิดาสั่งให้ไหว้ก็ไหว้ทำตามคำสั่งของบิดา พระองค์ก็จึงตรัสว่าในศาสนาของพระริยเจ้านั้นเขาหาไหว้ทิศทั้งหกโดยอาการอย่างนี้ไหมเขาไหว้เหมือนกันไหว้ทิศทั้งหกเหมือนกันในศาสนาของพระริยเจ้าน่ะแต่ไม่ได้ไหว่อย่างนี้สิงคาลมานกุก็ทูลถามว่าเขาไหว้กันอย่างไรพระเจ้าคะ่ะพระองค์ก็จึงตรัสตอบว่า อ่าขอพระองค์นั้นจงตรัสแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดพระองค์ก็แสดงทิฏหกในศาสนานี้ให้ฟังดังนี้บวทิฏหกในศาสนานี้มีอะไรบ้างก็คือหนึ่งทิศบุรพาอันเป็นทิศเบื้องหน้านั้นทิฏเบื้องหน้านี้ได้แก่บิดาและมารดาทิฏทักศิลอันเป็นทิศเบื้องขวานั้นได้แก่ครูอาจารย์ ทิศตะจีมอันเป็นทิศเบื้องหลังนั้นก็ได้แก่บุตรพัญญาบุตรพัญญาสามีทิศอุดร อ, อันเป็นทิศเบื้องซ้ายนั้นก็ได้แก่พวกมิตรสหายทิศเบื้องล่างก็ได้แก่พวกเบ่าพลายและลูกจ้างส่วนทิศเบื้องบนนั้นก็ได้แก่สมณะผลามเนพระองค์ก็แสดงทิศหกให้ฟัง แล้วนอกจากนั้นแล้วพระองค์ก็ยังแสดงว่าบุคกิกแห่งการไหว้ทิศดังนี้นะก่อนคือการที่จะไหว้ทิศทั้งหกนั้นต้องมีบุพกิกคือกิจที่จะต้องทํำก่อนไว้สียอีกคือผู้ไหว้ทิศนั้นควรจะเว้นจากกรรมกิเลสคือการงานอันเศร้าหมองสี่ประการเสียยพระองค์ทรงตรอย่างนั้นนะหนึ่งต้อง เว้นจากกรรมกิเลสสี่ประการคือการงานสมองสี่ประการนะฮะสองนะต้องเว้นจากอคติคือกิริยาที่ไม่ควรถึงได้แก่ความลํำเอียงสี่ประการแลว้วก็สามต้องเว้นจากอบายมุขคือทางหายณะหกประการหกนะประการด้วยก ร, รมกิเลสสี่ประการนั้นเป็นชนไหน กรรมกิเลสสี่ประการนั้นคือหนึ่งการล้างผานชีวิตสองการเป็นขโมยสามการประพฤติผิดในกามและสี่การผู้ปดนี่เป็นกรรมกิเลสส่วนอคติสี่ประการนั้นก็คือการลำเอียงเพราะรักสองลำเอียงเพราะชังสามลำเอียงเพราะกลัวสี่ลำเอียงเพวาะเขานี่เป็นอคติสี่ประการ อคติสี่ประการเนี่ยถ้าบุคคลใดมีในอยู่บุคคลใดบุคคลนั้นเป็นผู้ใหญ่ไม่ได้แล้วก็อาบายามุขหกประการคือหนทางแห่งหายแห่งความหายนะนั้นคือคือการดื่มสุราสองการเที่ยวกลางคืนสามการเพลิดเินหรือว่าหลงดูในการละเล่นสี่การเล่นการพนันและห้าเกลียกค่อนไม่ทำการงาน 6. กคบคนชั่วเป็นมิตร ยานะหนทางอบายมุคคือหายนานะหกประการบุคคลที่จะไหว้ทิศนั้นท่านบอกว่าควรจะทําบุญกิจอย่างนี้ก็คือว่าละสิ่งเหล่านี้เสียการละสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะได้เป็นความสวัสดีดแก่บุคคลนั้นเมื่อพระองค์ทรงตรช่นนี้แล้วก็จึงได้ทรงแสดงถึงการไหว้ทิศทั้งหกอ่าซึ่งทิศทั้งหกนี้ ลักษณะแห่งการไหว้ทิศทั้งหกนั้นมีอะไรนั้นก็มีอยู่พร้อมในวิชาธรรมะนะมีอยู่พร้อมในวิชาธรรมะเพราะฉะนั้นในที่นี้ก็จึงไม่จําเป็นที่จะต้องนํามากล่าวเพราะจะเป็นการซ้าไปกับวิชาธรรมะดังนั้นก็จะขอผ่านวิธีสอนการไหว้ทิศ แบบขอนคดีโลกคดีธรรมนี้ไปก็จะแสดงถึงวิธีแสดงวิธีทำเทวตาตะพีคือการสังเวยเทวดาต่อไปก็การสังเวยเทวดานั้นเป็นธรรเนียมของพวกเทวดาเขานะอ่าเป็นเป็นเป็นธรรเนียมของพวกพราม์เขาคือเป็นธรรมเนียมเป็นธรรเนียมของพวกอริยกรในครัง้งพุทธกาล อาริยกะนี้ก็เป็นชนเผ่าหนึ่งของอินเดียซึ่งเขาแบ่งออกเป็นอาริยกะกับมิรขาที่เรากล่าวแล้วในตอนต้นการสังเวยเทวดานี้เป็นธรรมเนียมของผู้อาริยกะซึ่งเขานับถือเทวดาซึ่งทั้งมีให้ให้คุณใ ห, ให้ทั้งคุณและให้ทั้งโทษเพราะฉะนั้นการสังวยเทวดานั้นที่ให้คุณนั้นก็เพื่อที่จะให้มีความเอ็นดูยิ่งขึ้น แต่สังเวรเทวดาที่ให้โทษ น, นั้นก็เพื่อที่จะไม่ให้คิดร้ายตัวเองเพราะฉะนั้นก็จึงได้มีเกิดมีการสังเวยเทวดาขึ้นครางหนึ่งพระบรมศ า, ศาสดาเสด็จาริถึงบ้านตาตลิคามหรือว่าปาตลีบุตรนั่นเองแขวงมคตก็ได้รับอาราธนาเพื่อเสวยพระตาหารที่เมืองใหม่ พร้อมกับพิสุสง์จากสุนิศพรามและวัสกาพลพรามคือสุนิศพรามและวัสกาพลพรามนี่ <c oughs> ได้รับมอบหมายจากพระเจ้าชาติสตรูให้สร้างพระนครขึ้นใหม่ที่เมืองปาตาริบุตรแล้วก็เพื่อสร้างพระนครเพื่อป้องกันชาววชีที่จะมายกมาประชิดติดพระนครด้วย เมื่อสุนิตศพรามกับสวสการาพรามนี้ได้คุมการก่อสร้างเสร็จแล้วเมื่อทราบว่าพระพุทธองค์นี้เสด็จไปถึงบ้านปาตาีบุตรนั้นก็จึงได้ราธนาพระองค์เพื่อที่จะได้สวยพระกยาหารเป็นการฉลอง <c oughs> เมืองที่ได้สร้างขึ้นใหม่ด้วยพระพุทธองค์นั้นก็ได้ทรงสวยพระกยาหาร แล้วพระองค์ก็อนุโมทนาว่ากุลบุตรผู้เป็นบัณฑิตยอยู่ในที่ใดเพิ่งมีมนุ์ผู้ประพฤติพรมจรรย์ <c oughs> มีศีลหมดจดสำรวมดีแล้วมาฉันณที่นั้นแล้วอุทิศส่วนบุญกุศลให้แก่เทวดาผู้สิงสถิณที่นั้นเทวดาทั้งหลายที่อันกุะบุตรนั้นบูชาแล้วย่อ บ, บูชาตอบ ที่กุลบุตรนั้นนับถือแล้วก็ย่อมนับถือตอบแต่นั้นเทวดาเหล่านั้นย่อมอนุเคราะห์กุลบุตรนั้นด้วยเมตตาบุตรมารดากับบุตรนี่กุลบุตรอันเทวดาอนุเคราะห์แล้วย่อมเห็นผลจะอ่าย่อมเห็นผลแห่งความเจริญทุกเมื่อนี่พระองค์ได้เสด็จอ่าได้ทรงตัสอนุโมทนาเกี่ยวกับเรื่องอ่าเกี่ยวกับเรื่องการที่ ทำบุญอุทิศให้แกเทวดาเพราะฉะนั้นประเพณีอันนี้เราก็จึงได้มีกันต่อมาในทางพุทธศาสนาเมื่อเราทำบุญอุทิศเสร็จแล้วเห็นทีเราเรียกว่าในกรวดน้ำเราก็อาทีส่ส่วนบุญกุศลนี้ไปให้แก่ถวยเทพเทวดาต่างๆพร้อมทั้งสัตวนานา์นานาชนิดในโลกนี้โดยที่ไม่จำกัดเป็นการแสดงถึงความอาลี หรือความเป็นผู้ใจกว้างว่าการทําบุญนั้นเราไม่ได้เจาะจงอุทิศให้แก่ญาติพี่น้องเราเพียงคนเดียวเท่านั้นยังอุทิศให้แก่เทพเจ้าเราเทพพญดาทั้งหลายพร้อมด้วยสัตว์ทั้งหลายให้มันได้รับบุญกุศลของเหล่านี้และการที่เราได้อุทิศส่วนบุญกุศลนี้ให้แก่เทวดานั่นแหละงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสว่าย่อมได้รับการบูชาตอบจากเทวดาได้รับความยกย่องนับถือ แล้วก็ย่อมได้รับการอนุเคราะห์จากเทวดานั้นเหมือนกับมาดาที่สงเคราะห์บุตรและบุคคลใดที่ถูกเทวดาอนุเคราะห์แล้วผู้นั้นก็ย่อมจะมีแต่ความเจริญเทางนั้นอันนี้ก็จึงได้เป็นประเพณีซืบกันต่อมาในบทเรียนต่อไปนั้นเป็นบทเรียนที่พระพุทธองค์ ทรงสเสด็จสั ก, กะชนบทสักกะชนบทนี้ก็เป็นแวดแควนของพระพุทธองค์นั้นนะแอลของพระพุทธองค์นั่นเองตั้งแต่ที่พระพุทธองค์ทรงสเสด็จมาอาทรงสเสด็จออกบรรพชาแล้วพระองค์ยังไม่ได้สเสด็จกลับไปพระองค์ยังไม่ได้สเสด็จกลับไป เ้าสุโธนะผู้เป็นพุทธบิดาเมื่อได้ทราบข่าวว่าพระราชโอรสของพระองค์คือเจ้าชายเสด็ถัซึ่งเสด็จออกบรรพชาแล้วเป็นเวลา6กปีเสร็จแล้วได้ทราบข่าวว่าปัดนี้ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสมัมโพธิญาณประกาศตนเป็นพุท ธ, ธะและได้เทศนาสั่งสอนประชาชนทั่วไปจนได้เกิดความเคารพนับถืออย่างมาก พระองค์ก็ต้องการเพื่อจะได้ทรงเห็นพระราชบุตรของพระองค์สเสด็จ ก, กลับมาเยี่ยมพระนครแล้วก็พระองค์ก็ไม่ได้เห็นประพักของพระราชโอรสเป็นเวลานา น, านแล้วก็จึงตรัสให้อมัฏจึงตรัสให้อมัฏนี้ไปทูลรัชนาก็ปรากฏว่าชายอมัฏเป็นล้ายคน กล่าวในที่นี้ว่าถึงเก้าคนมีบริวารคนละพันละพันไปแล้วก็หายหมดหมดหมดแล้วก็มาเดท้ทูลรัตนาให้พระองค์นี้กลับมาหรือว่าจะทูลแล้วแต่ว่าพระองค์ยังไม่เสด็จกลับมาในครั้งสุดท้ายนี้ก็จึงได้ตรัสให้กาลุทายี อมตะผู้หนึ่งขึ้นการุทายีอมตะผู้นี้เป็นคนที่สนิทสนมแก่พร ะ, พ, พ, ระพระพุทธองค์ในครั้งที่ยังเป็นฆราวาสหรือว่ายังเป็นเจ้าชายศิษฐกุมารเป็นพิเศษคนหนึ่งเพราะฉะนั้นพระเจ้าสุโธนะจึงได้ใช้การุทายีอมตะเนี่ยเพื่อให้ไปทูลเสด็จการุธายีอมตะผู้ น, ถถ น, นี้ ก็ทูลขอบรรพชาด้วยพระองค์ก็ทรงอนุญาตว่าจะบวชจะเบิดอะไรไม่ว่าแล้วแต่ขอให้ทูลพระพุทธองค์นั้นกลับกรุงราชอกรุงกบิลพัฒมาเยี่ยมกรุงกบิลพั์ให้ได้การุธายย ม, มานี่พร้อมด้วยบริวารหน 1, ึ่งพันก็ออกเดินทางจากกรุงกบิลพั์มาที่ก ร, ร, รุงราชคลึนีท่านกล่าวว่าจากกรุงกบิลพั์ ถ, ถึงกรุงราชะคลึนี ขนทางประมาณหกสิบโยต์หกสิบยต์การลุทายีนี้มาพร้อมด้วยบริวารขั้นตดเองพันหนึ่งเมื่อในฟังพระธรรมเทศนาเกิดความเรื่มใจก็ได้ขอผู้สมบทสมบตแล้วก็บำเพ็ญเพียรจนกระทั่งได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์การลุทายีนี้คอยเวลาจนกระทั่งว่าเห็นเป็นการสมควร ก็จึงได้ทูลเสด็จทูลรัตนาให้พระองค์เสด็จจุมกบิลภัทแล้วก็ทรงพละนาสิ่งหุ้นทางเนี่ยด้วยคาถาหกสิบคาถาทรงเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงรับเสด็จดังนั้นกาลุทายีผู้นี้ ก็จึงได้นําข่าวนี้ไปกระอ่าไปถวายพระพรแก่พระเจ้าสุโธทนะผู้ที่เป็นพุทธบิดาพระเจ้าสุโธทนะผู้เป็นพุทธบิดานี้ทรงดีพระทัยอย่างมากก็จึงจึงตรัสให้สร้างที่พักอะระยะหนึ่งโยชนึงโยศก็ทรงทราบบอกพระพุทธองค์นี้จะเสด็จไปเสด็จไปกรุงกบิลพัฒน์นั้น วันละหนึ่งโยชน์เพราะฉะนั้นจะต้องใช้เวลาถึงหกสิบวันคือสองเดือนดังนั้นแต่ละโยชน์ละโยชนนี้พระเจ้าสุโธนาก็จึงสั่งให้สร้างป ร, รมที่พักไว้สำหรับพระพุทธองค์พร้อมโดยพิสุทิสองหมื่นลูกผู้เป็นบริวารที่จะเสด็จเมืองกบิลภัณนั้นพักอาศัยเมื่อพระพุทธองค์นั้นทรงเสด็จกรุงกบิลพัณ์ พระองค์เสด็จวันละหนึ่งโยตพร้อมด้วยพิสูจสงฆ์ทั้งหลายกว่าจะถึงกรุงกบิลพัสน์นั่นปรากฏว่าใช้เวลาสองเดือนเมื่อถึงกรุงกระบิลพัสน์แล้วพระเจ้าสุโธนนะก็ทรงสร้างที่ประทับหรือว่า วิหารสำหรับที่พระพุทธองค์จะประทับพร้อมเยาวพิสุสงที่นิโคาธาลามดังนั้นเมื่อพระองค์ในเสด็จถึงกรุงกบิลพั์ในเย็นวันนั้นก็จึงเข้าพักที่นิโคราธาลามอันเป็นอันแปนนิโคราธาลามนี้ก็เป็นสวนหรืออุทยานของเจ้าชายนิโครองหนึ่งพระประยุรญาติซึ่งมีพระเจ้าสุโธทนะ ทรงทราบก็ทรงทราบพระองค์ม า, มาถึงก็ทรงทรงรับสเสด็จแล้วก็ไปเฝ้าพระองค์นั้นที่นิโครธาราัมแต่ปรากฏว่าพระประยุรญาตผู้ใหญ่แต่ละองค์ละองค์นั้นไม่ได้เคยยกยศยกยศรัสขึ้นนามัสการเป็นแตเพียงบอกให้พวกราชกุมารซึ่งมีอายุต่ำกว่าพระพุทธองค์นามัสการพระองค์ แต่ตัวเองผู้ที่มีอายุมากกว่าไม่ยกพระหัตถ์นมัสการโดยถือว่าพระองค์นั้นเป็นลูกเป็นหลาน <c oughs> ควรที่จะต ว, ว้าไว้ตนเองก่อนเทวพุทธองค์เห็นเช่นนี้แล้วก็เห็นว่าพวกสักยกักษ์กษั์นี้ทิธฐิมานะมากเหลือเกินไม่ได้มีความอ่อนน้อมดังนั้นพระองค์ก็ทรงแสดงอิทธิปาฏิหาร เพื่อที่จะทําลายมานะของพวกศักยะสักศักดิก์ซึ่งมีพุทธบิดาเป็นต้นพระองค์ก็ทรงอธิษฐานสเสด็จจงกลมอยู่ในอากาศเหนือพวกผเสนของพระศักยะทั้งหลายทําให้ทุรีอะระอองทุรีพรบาทนั้นตกต้องไปบนผเสนของพวกศักยะทั้งหลายพวกศักยะทั้งหลายเห็นเช่นนั้นแล้วก็จึงได้เกิดความร่วมใจ ยกมือขึ้นนมัสการแล้วก็ราตนาให้พระองค์นั้นทรงทเสด็จลงมาจากอากาศพระเจ้าสุโธณะนั้นก็จึงได้เปล่งวาจาขึ้นที่เมื่อตอนเองนมัสการแล้วก็จึงได้เปล่งวาจาขึ้นว่าการนมัสการครั้งนี้เป็นครั้งที่สามซึ่งครั้งแรกนั้นตนเองได้ยกมือไหว้พระราชโอรส ตอนที่ไอตอนที่อ่าชดินอตอนที่อสิตดาวบทได้เข้าไปเยี่ยมแล้วปราบทิพบาตตนเองก็เข้าใจว่าเหมือนอตอนเองเข้าใจว่าพระราชโอรสของตนเองนั้นเหมือนกับพระพรหมก็จึงได้ยกมือขึ้นไหวยกมาขึ้นในมัศการในครั้งที่สองนั้นในการที่พระมหาบุรุษคือพระโพธิสัตว์นั้น เสด็จไปในงานในพิธีวปามงคลคือพิธีแรงนาขวัญเจริญอาณาปณะสติจนก็ได้ทางได้ปฐมประชานทําให้เงาแห่งต้นไม้นั้นไม่คล้อยไปพระองค์เห็นความมหาศักดิ์สิทธเช่นนั้นก็จึงยกพระหัตถ์ขึ้นนมัสการเป็นครั้งที่สองในครั้งนี้เป็นครั้งที่สามเมื่อเห็นพระองค์นั้นได้เสด็จเดินจงกลมบนอากาศเมื่อพระเจ้าสุโธธนะ ยกพระหาคินนมัส ก, การแล้วพระประยูรนิต่ทั้งหลายก็นมัส ก, การพร้องกันหมดแล้วพระองค์ก็เทศนาปโประพระประยูรญาตในขณะนั้นเองก็มีเหตุมหาสจัลฝนโปคระพัดตกขึ้นในสมาโคมแห่งพระประยูรญาตนั้นฝนโปคระพัดนี้เป็นเป็นฝนเม็ดสีแดง ฝนตกคณะนี้แปลกต่อฝนธรรมดาคือว่าบุคคลใดต้องการจะให้เปียกก็ถึงจะเปียกถ้าบุคคลใดไม่ต้องการจะให้เปียกฝนนั้นจะไม่เปียกฝนนั้นเมื่อตกต้องไปแล้วก็จะลื่นไปหมดเหมือนกับน้ำที่ตกในใบบัวเพราะฉะนั้นทำมาโปกพร ะ, ะในแปลใบบัวเพราะสะนี่ปแปลวฝนก็เหมือนกับฝนที่ตกไปในใบบัวคือถ้าบุคคลใดไม่ต้องการจะเปียกกลัวว่าเสือ้อผ้าผอของตัวเองจะเปียกจะเสียหาย ไม่ตัง้งไม่อยากไม่ต้องการให้เปียกฝนนี้เมื่อตกต้องกายแล้วก็จะลื่นไปเหมือนกับน้ําที่ตกในใบบัวแต่บุคคลใดต้องการให้เปียกฝนนี้ถึงจะปิดเพราะฉะนั้นจึงได้ชื่อว่าฝนตกหลักพัฒเป็นเมฆเมล็ดฝนที่มีสีแดงตกต้องในสมาคมนั้นเสร็จเมื่อตกต้องในสมาคมแล้วหลังพระจบพระธรรมเทศนาแล้วปรากฏว่าพระประยุททีญาติทั้งหลายก็ลากลับ แต่ไม่มีบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือว่าองค์ใดพระประยชร์ญาติองค์ใดองค์หนึ่งเลยที่จะอาราธนาให้พระองค์ไปฉันในวันลุงขึ้นเมื่อพระประยชนญาติลีไปแล้วพิสุทั้งหลายเกิดความสงสัยขึ้นว่าอัศจ ร, รย์จริงหนอฝนโปรครพัดซึ่งเราไม่เคยเห็นมาก่อนตกเต๊ะตกมาได้พระองค์ทรงในสาวเขาก็จริงประดว่า การที่ฝนปกกรพัดตกในการที่เราเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ไม่อัศจรรย์พิสูจทั้งหลายแต่ว่าตกในการที่เราเป็นคระหัสตที่น่าอัศจรรย์มากกว่าพิสูจน์สงฆ์ทั้งหลายก็ทิ้นในถูนถามว่าฝนที่ว่าปกกรพัดนั้นตกในการอ่าตกในในการที่เป็นครหัตนั้น่ะตกในข้างไหนพระองค์ก็จึงได้แสดงเวสันตระชาดก ให้ฟังคือพระเวสสันดรนั่นเองในวันลุ่งขึ้นพระองค์ทรงพิจารณาว่าเมื่อไม่มีบุคคลใดบุคคลหนึ่งนี้อาราธนาแล้วตามประเพณีของพุทธ ท, ทุกพระองค์ในอดีตนั้นเมื่อมาถึงพระราชบิดมาถึงที่พระราชวังของพริบิดานี้จะทรงบิณฑบาตตามระดับตรอกหรือว่าจะไปฉันอาหารใน ราชวังก็ทรงพิจารณาเห็นแล้วว่าพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นั้นทรงบิณฑบาตพรอ้อมด้วยพิสุสง์ไปยังเลือนประชาชนทั่วไปเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์ก็จึงได้สเสด็จออกบิณฑบาตพรอ้อมด้วยพิสุสง์ตามระดับกรอกการที่พระองค์สเสด็จออกบิณฑ บ, บาตนี้เองสร้างความโกราหนให้แก่ชาวเมืองกบิลพัฒน์เป็นอย่างมากเพราะเหตุที่ว่าเลยกันว่าลูกของพระอัยรูกของพระเจ้าแผ่นดิน หรือพระลูกเจ้าซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าแดินพระเจ้าสุโธธนะนั้นเสด็จออกขอทานประชาชนทั่วไปเสียงที่ล่ำเลืออันนี้โกรลาหนนี้ได้เข้าพระกันของพระเจ้าสุโธทนะพระเจ้าสุโธทนะเนี่ทนไม่ไหวด้วยความรายเช่นนั้นก็รีเสด็จออกจากพระราชวังมาดักหน้าดักดักตรงพระพักของพระพุทธองค์การที่พระองค์จะดินบันดาลก็จึงได้มาต่อว่าพระพุทธองค์ว่า เหช่ไห น, นพระองค์จึงทําให้หม่อมฉันเนี่ยต้องได้รับความอับอายในพระราชวังของหม่อมฉันนี่พระองค์คิดหรือว่าหม่อมฉันนี่ไม่สามารถที่จะเลี้ยงพระพิสุสองหมื่นลูปนี้ได้องค์มสมเด็จพระสมัมมาสัมพุทธเจ้า ก, ก็จึงได้ตราสว่าอันนี้เป็นวงของตถาคตพระเจ้าสุโธทนะพระองค์ก็ยังไม่ทราบก็จึงได้ถามต่อไปว่าที่ว่าเป็นวงของเราเนี่ย เป็นวงของเรานั้นนะ่ะในตระูลของเราเนี่ยเคยมีใครบ้างไหมพวกปู่ย่าตายายเนี่ยที่ออกขอทานแล้วพทธองค์ก็จัดว่าอันนั้นเป็นวงของมหาบุพิษแต่ที่อาตมากล่าวว่าเป็นวงของสถาคตนีหมายถึงว่าเป็นวงของพุทธะพุทธะนั้นจะต้องทำกิจวัตรของตัวเองคือการออกเที่ยวบิบทบติในตอนเช้าแล้วพระองค์ก็ยิงในตรัส ก็รรมเทศนาเกี่ยวกับเรื่องอาการที่เป็นผู้หมาประมาทในก้อนข้าวที่บุคคลจะพึงยืนรับเมื่อจบระธรรมเทศนาแล้วปรากฏพระเจ้าสุโธสนานั้นได้บรรลุเป็นพระโสดาบันในขณะที่ประทับยืนอยู่กลางคุนทานนั่นเองอ่านี่เป็นเรื่องอาการที่พระพุทธองค์นั้นสเสด็จกลุก่มกบิลพัท ในบทเรียนต่อไปนั้นก็เสด็จโปรดอนาถบิิกเสฐีการทั้งหนึ่งข้าบดีผู้หนึ่งที่เมืองสาวัตถีแว่งโกศลนั้นชื่อว่าสุทัศน์สุทัศน์นี้เป็นคนที่มีใจบุญมากได้สร้างโรงทานได้ใ ห, อาหา้อาหารได้ให้ทานแก่คนยากจนคนอน า, าถาอย่างมาก สร้างโรงทานประจําไว้ที่บังตัวเองให้ทานแก่คนที่ยากจนเพราะนั้นคนที่ยากจนคนอนาถาทั้งหลายก็ได้อาศัยพระมหาบดีที่ชื่อว่าสุทธธัศน์ผู้นี้แหละเลี้ยงชีพเป็นประจําวันเพราะฉะนั้นคนทั้งหลายเขาจึงได้เรียกกรหาบดีสุทัศน์นี่ว่าอนาถาบินทิกะเศรษฐีแปลว่าเศรษฐีผู้มีก้อนข้าวสําหรับคนอนาถาเพราะฉะนั้น คำว่าอนาถบิติกะเศรษฐีนี้จึงเป็นที่รู้จักกันได้ดีจนเราไม่ลืมชื่อเก่าของแกท่านชื่อว่าสุชื่อว่าสุาสทัาาศษ์เจ้าแอนนาถมิติกะเศรษฐีนี้ อ, เเอ่เป็นเป็นเป็นเขยเป็นเขยร่วมเอเป็นเรียกว่าเป็นเพื่อนเขยกันกับเศรษฐีชาวกรุงราชครือคนหนึ่ง ก็คือว่าต่างคนก็ต่างได้น้องสาวเป็นพันยาเช่นกันเลยกันวันหนึ่งอนาถอินทิกาเศรษฐีนี่ก็มาที่เมืองราชคลึเกี่ยวกับเรื่องการค้ายอย่างหนึง่งก็จริงได้มาพักที่บ้านเศรษฐีอันเป็นพี่พัญญาของตัวเองและก็เป็นน้องเขยของตัวเองนั่นเองมาถึงแล้วทุกทีทุกครั้งนั้นเนี่ยเคยเห็นเศรษฐีเนี่ยได้ต้อนรับขับสู้ตนเองมาอย่างดี แต่วันนี้ปรากฏว่าเศรษฐีนี้ไม่ค่อยจะเอาใจใส่ตนเองนะโมสารวนสั่งคนชายให้เตรียมอาหารอย่างนด้นบงอย่างนี้บ้างแกก็เกิดสงสัยก็ถามว่าจะมีการงานอะไรขึ้นหรือแต่เศรษฐีพู้นี้ก็บอกว่าไม่ได้มีอะไรหรอกแต่พรุ่งนี้จะมีมนพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพิสุส่งเนี่ยมาฉันที่บ้านพอได้ยินคำว่าพระพุทธเจ้านี้เศรษฐีอนาถมิสิกาศเศรษฐีนี้ไม่เคยได้ฟังมาก่อน เกิดขุนลุกขึ้นก็จึงได้ถามขึ้นเป็นถึงสองสามครั้งว่าท่านพูดว่าอะไรนะก็บอกว่าเป็นพทะเจ้าตนเองก็ต้องการจะไพร่จะไปเฝ้าแต่ว่าเศรษฐีบอกเวลานี้ไม่ใช่เวลาสมควรแล้วภูมงนี้เคยเฝ้าเธอพอรุ่งเช้าและอนาถบินทิกาเศรษฐีนี้ก็รีบไปเฝ้าซะ ก, ก่อนปรากฏว่าได้ฟังพระธรรมเทศนาอนุปุพีคถา กับอริยสัย์ก็จนบรรลุโสกเป็นพระโสดาบันเลยแสดงตนเป็นอุบาสกและจึงได้กราบทูลพระพุทธองค์นี้เพื่อสเสด็จโปรดที่กรุงสาวัตถีแคว้นโกศลต่อไปตรงสเสด็จพระสังมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงรับก็ไปอ่านว่าบทเรียนสำหรับในพุทธวัตรเล่มที่สองก็จบเพียงแค่นี้ ขอความเจริญผาสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านผู้ฟังและนักศึกษาทุกท่านด้วยกันขอเจริญพร